วันนี้เป็นวันจันทร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดวันสุดท้ายในช่วงวันหยุดเทศกาลสองกรานเป็นวันหยุดชดเชยเป็นวันที่ผู้ที่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศล ได้มีเวลาทำบุญเพิ่มเติมอีกหนึ่งวันเพราะถ้าไม่มีวันหยุดชดเชยวันนี้ก็จะต้องไปทำงานไปทำงานก็จะไม่มีเวลามาทำบุญบุญในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สิบชนิดด้วยกัน เช่นบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการละเวน้นการกระทำบาปเรียกว่าศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาคือพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นตามลําดับเรียกว่าภาวนา บุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมทำตนมีสัมมาคาระวะบุญที่เกิดจาก การมีความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมและบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแกะ่ผู้อื่นที่เรียกว่าธรรมทานนี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พุทธศาสนิกชนมันกระทำกันอยู่เรื่อยๆทำตามเวลาทำตามวาระตามโอกาสตามเหตุตามผลบุญนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนก็ได้ส่วนที่เรียกว่าบุญสำคัญบุญที่ต้องทำเป็นประจำกับบุญเสริม คือทำบ้างก็ได้ไม่ทำบ้างก็ได้แล้วแต่วาระแล้วแต่โอกาสถ้าเปรียบกับอาหารก็มีอาหารหลักและอาหารรองหรืออาหารเสริมอาหารหลักนี้เรารับประทานกันทุกมือ้อเช่นข้าวกับกับข้าว ส่วนอาหารเสริมก็เป็นพวกขนมนมเนยอของหวานผลไม้หรืออาหารเสริมชนิดต่างๆซึ่งมีก็รับประทานได้ไม่มีก็ไม่รับประทานก็ไม่ถึงกับทำให้ร่างกายอดอาหารตาบใดถ้ามีอาหารหลักอยู่ ก็คือมีข้าวมีกับข้าวก็สามารถที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติได้บุญก็เหมือนกันบุญก็เป็น เ, เหมือนกับอาหารที่จะดูแลรักษาจิตใจให้มีความสุขให้ปราศจากความทุกข์บุญหลักที่ ควรจะมีกันอยู่เป็นประจำทุกวันก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เป็นบุญที่สําคัญที่ควรจะมีอยู่ ตอดเวลาเพราะจะเป็นบุญหลักที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยนี่คือบุญหลักเรืออาหารหลัก ส่วนบุญเสริมก็ทำไปตามวาระตามโอกาสมีโอกาสจะทำทานก็ทำไปมีโอกาสจะร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นก็ทำไปเมื่อทำแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปแล้วอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นก็ช่วยเหลือกันไปรับใช้ไป เวลาที่พบปะกับผู้มีผู้หลักผู้ใหญ่พบปะกับคนก็ใช้สัมมาคารวะใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้ามีถ้ามีหนังสือธรรมะดีๆได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆอยากจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นก็พิมพ์แจกก็เรียกว่าธรรมทาน หรือท่านมีธรรมะอยู่ในตัวเวลามีผู้ที่เขามาปรึกษาขอความขอความกระจ่างในเรื่องธรรม ะ, ะเวลาที่เขามีความทุกข์ใจถ้ามีธรรมะดีๆสอนเขาได้ก็สอนไปก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานแต่ บุญกุศลที่สำคัญที่สุดที่พุทธศาสนิกชนควรจะทำกันก็คือการฟังเทศฝังธรรมและการมีความเห็นที่ถูกต้องการฟังเทศฟังธรรมนี่แหละที่จะทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชน ถ้าอยากจะหลุดพ้นอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานจําเป็นจะต้องฟังเทศฟังธรรมกันทุกคนไม่มีใครที่สามารถบรรลุธรรมได้โดยที่ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันบรรดาภาษาวกทั้งหลายเนี่ยพระอรหันต์สาวกเนี่ยท่านฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากอ่าจาก หนังสือธรรมาที่ท่านได้อ่านได้ศึกษากันคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้อ่านผู้ฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังอาร้นต์สาวกก็เป็ผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยการจากการฟังธรรมมีคนเดียวเท่านั้นที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้โดยที่ไม่ได้ฟังธรรม ก็คือพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดานี้เพราะท่านไม่มีไม่มีใครรู้ธรรมอันนี้ไม่มีใครรู้ธรรมที่จะทําให้บรรลุเป็นพราะอารหันต์พระองค์เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองพระองค์จึงเป็นพระอารหันต์ตัสมมาสามพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้เป็นพระอารหันต์ด้วยตนเอง ไม่ได้เรียกตนเองว่าอาหลันตสาวกนะแต่เรียกว่าอาหลันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครรู้มาก่อนยังไม่มีใครสามารถมาสอนได้นะแต่พอมีพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ผู้ที่อยากจะบรรลุ ก, ก็สบายฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้เลย ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสด ง, ง, รสดงธรรมขั้งแรกแสดงวระธรรมาจากกัปปวัตตนสูตรให้แก่พระปัญจวัคคีทั้งห้าหนึ่งในพระปัญจวัคคีหลังจากที่ได้ฟังธรรมจบสิ้นลงก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดักพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าธรรมทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้ายึดถติดก็จะทุกข์ถ้าปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์จะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงสอนเอกสักสองสามครั้งบรรดาพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกันพร้อมกันเลยทั้งห้าองค์ หลังจากที่ทรงแสดงอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาท่านก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางทมทั้งหมดทาทั้งหมดไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอันนี้เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมก่อนหน้านั้นปฏิบัติมาเป็นหลายสิบปีด้วยกันไม่มีใครบรรลุเลย แม้แต่คนเดียวเพราะไม่มีใครรู้ทำที่จะทำให้บรรลุได้นี่ต้องรอให้คนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนมาประกาศพระศาสนาจึงทำให้ผู้ที่พร้อมที่จะบรรลุก็จะบรรลุได้เลยผู้ที่พร้อมจะบรรลุในขณะที่ฟังธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิ ที่แน่วแน่มั่นคงที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ามีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิอัปปนาสมาธิพอได้ฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้จากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วย่อมหลุดพ้นได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะว่าธรรมที่ได้ฟังนั้นจะเป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนามายปัญญา ภาวนาเพราะว่าใจของผู้ฟังนี้มีส ม, มะถะภาวนาอยู่แล้วมีสมาธิอยู่แล้วพอเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังมามาใช้ในการดับกิเลสดับตะ ด, ด, ดับตัณหาดับความทุกข์ก็สามารถทำได้ทันทีทันใดเลยในทางตรงกันข้ามผู้ถ้าผู้ฟังยังไม่มีศีลที่บอยสุด หรื อ, อยังไม่มีสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิฟังทำไปแล้วจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะไม่มีกำลังที่จะสู้กับตัญหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถึงแม้จะได้ยินได้ฟังได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าว่าสัพเพธรรมะอนัตต า, าทำทั้งหลายไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตน แต่ก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีกำลังปล่อยกำลังปล่อยก็คืออุเบกขาอุเบกขาที่ได้จากอัปปนาสมาธิจึงไม่สามารถปล่อยได้ยังยังติดอยู่กับตันหาความอยากอยู่ยังอยากกาแฟอยู่ยังอยากดูภาพยนตร์ยังอยากจะมีแฟนอยู่ฟังไปจนวันตายก็จะไม่สามารถ บรรลุทำได้เพราะปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีกำลังปล่อยแต่ถ้าได้มาฝึกสมาธิจนได้อัปปนาสมาธิแล้วทำทั้งหลายที่พทธเจ้าทรงสแสดงที่เป็นปัญญาสอนใจนี้จะเข้ามาทำหน้าที่สอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ปล่อยวางลาบยศสนร่ำแสนสุขทางตาหูจมูกลิ้วกาย ถ้ามีอัปปนาสมาธิก็ปล่อยได้เลยเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สนใจตำแหน่งสูงเท่ากับมหาจากาักรพรรดิก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถไปเป็นมหาจากาักรพรรดิได้แต่ท่านก็ไม่เอาท่านเอาการหลุดพ้นท่านเอาการเป็นพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่ามีความสุขมากกว่า แล้วก็ไม่ต้องไปใช้กรรมต่อไปเป็นมหมาจักรพัชก็ต้องเข็นฆ่ากันทำสงครามกันตายไปก็ยังต้องไปอบายนี่คือสาเหตุที่ทำไมคนเราในปัจจุบันนี้ฟังธรรมกันแล้วไม่บรรลุธรรมกันเพราะว่าขาดอัปปนาสมาธิขาดอุเบกขา อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ตามลําพังไม่ได้ต้องมีสิ่งนั่นสิ่งนี้มาประครับประคองใจไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดความเหงาความทุกข์ความว้าเหว่ต่างๆยิงต้องมีลาบยศสรรเสริญต้องมีรูปเสียงเกียรติลดโพธภิภพมาสนับสนุนให้ใจมีความสุขแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ เวลาที่ลาบยศสรรเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสมันเสื่อมไปหมดไปเวลาที่ต้องพัดพากจากกันความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีอัปปนาสมาธิแล้วจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเพรพะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์เห็นมันทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราก็โยนทิ้งเลยตัดไปเลยอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมาทุกข์กับมันถ้าอยู่กับมันแล้วก็ต้องทุกข์กับมันนี่คือเรื่องของ เอาการฟังเทศฟังธรรมถึงแม้ว่ายังจะไม่มีสมาธิถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุการฟังธรรมก็สําคัญเพราะฟังแล้วจะได้รู้ว่ากตอนนี้กําลังขาดอะไรกําลังขาดบุญชนิดไหนอยู่ศีลบริสุทธิ์หรือยังเออศีลศีลแปดนี้ทําได้หรือยังศีลสิบศีลสองร้อยี่บเจ็ดนี้ทําได้หรือยัง ต้องต้องอาศัยการฟังธรรมจะได้รู้ว่าตอนนี้ตนเองยังไม่มีอะไรยังขาดอะไรขาดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้สามารถละตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็ต้องมีอปปนาสมาธิ การจะมีอัปปนาสมาธิได้ก็ต้องมีสติมีสติหรื อ, อยังควบคุมความคิดได้หรื อ, อยังหรือปล่อยให้ความคิดคิดเรื่อยเปื่อยไปทั้งวันทั้งคืนต้องมีสติถ้ายังไม่มีสตินั่งสมาธิไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้อัปปนาสมาธิผู้ฟังธรรมก็จะรู้ว่า ตนเองต้องทำอะไรบ้างเมื่อเช็คดูลายการที่จำเป็นจะต้องมีเหมือนกับนักศึกษาที่เรียนมหาลัยนีย่จะต้องดูหลักสูตรว่าต้องเรียนวิชาไหนบ้างถึงจะเรียนจบถ้ายังไม่มีวิชานี้ก็ต้องไปเรียนไม่มีวิชานั้นก็ต้องไปเรียนเรียนให้ครบหน่วยกิตสี่ปีเขาจะมี หลักสูตรให้เรียนแล้วทางมหาลัยเขาจะไม่จัดให้เราเขาเพียงแต่บอกเราว่าเราต้องมีวิชาอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องไปลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆพอเราได้ครบตามหลักสูตรเขาก็จะมอบปริญญาบัตรให้กับเราชั้นใดการฟังเทศฟังธรรมก็จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องมีวิชาไหนบ้าง วิชาไหนที่เรายังไม่ได้เรียนยังไม่ได้สอบผ่านเราก็ต้องมาเรียนมาสอบกันศีลเราเรียนกันหรือยังสติเราได้หรือยังอัปปนาสมาธิเราได้หรือยังปัญญาเราได้หรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรม ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าหลักสูตรที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกนี้มีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนี่แหละถ้าถ้ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะรู้ว่าเราต้องมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่า ทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลามันจากเราไปนี่มันจะทำให้เราทุกข์กันทุกสิ่งทุกอย่างเช่นลาบยศสรรเสรญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเก็บไว้ได้ไม่ตลอด ตายไปเอาไปไม่ได้ตายไปต้องทิ้งหมดพัดพาคจากกันมีมากมีน้อยต้องทิ้งหมดมีตำแหน่งสูงต่ำต้องทิ้งหมดมีสรรเสริมมากน้อยก็ต้องทิ้งหมดมีความสุขทางตาหูจมูกเม่นกายมากน้อยก็ต้องหมดไปพอหมดไปก็มีแต่ความทุกข์เพราะยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอยู่นั่นเอง เราจึงต้องมาสร้างศีลกันสร้างสมาธิกันสร้างปัญญากันสร้างสติกันด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไปรู้หรือว่าเราต้องทำอะไรบ้างถ้าจะไปเรียนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยโดยที่ไม่รู้ว่าหลักสูตรที่เราต้องการจะเรียนมีอะไรบ้าง เอ็นอยากจะเรียนบัญชีแต่ไปเรียนวิวชาคณิตศาสตร์เวลาวิชาศิลปศาสตร์วาดรูปวาดเขียนอะไรต่างๆเรียนไปแล้วมันจะจบได้ไงเรื่องบัญชีมันก็ต้องไปดูหลักสูตรของบัญชีเขาว่าเขาให้เรียนวิชาไหนบ้าง อ, อยากจะเรียนเป็นแพทย์ก็ต้องไปดูหลักสูตรของแพทย์ อ, อันนี้ก็เหมือนกัน การไปดูหลักสูตรนี่ก็เป็นการไปไปเหมือนกับการไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังจากอาจารย์ว่าจะเป็นแพทย์นี้จะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างปีหนึ่งมีอะไรบ้างปีสองมีอะไรบ้างปีสามปีสี่ปีห้าปีหกมีอะไรบ้างมีแล้วทีนี้เราก็จัดการดําเนินการไปลงทะเบียนอให้เรียนวิชานี้ก็เรียน เรียนวิชานั้นก็เรียนเรียนไปแล้วก็สอบสอบผ่านก็ก็จบถ้ายังไม่ผ่านก็ต้องเรียนซ้ำใหม่เรียนจนกว่าจะผ่านผ่านแล้วก็ไปเรียนหลักไปเรียนวิชาอื่นต่อเรียนไปเรื่อยๆบางคนดีไม่ดีหกปีไม่จบอถ้าถ้าทําหลักสูตรถ้าเรียนไม่ครบวิชาที่เขาให้กําหนดไว้ บางคนก็เจ็ดแปดปีแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่มาเรียนหลักสูตรของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเรียนศีลสมาธิปัญญาเรียนสติบางคนก็เรียนจบได้ภายในเจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีอยู่ที่ว่าจะขยันมากขยันน้อย จะฉลาดมากจะฉลาดน้อยมีความสามารถมากหรือสามารถความสามารถน้อยอันนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ เ, เรียนจบช้าหรือเร็วแต่ถ้าตั้งใจเรียนกันทุกคนก็จะจบได้กันทุกคนถ้าสู้ไม่ถอยเรียนไม่หยุดปฏิบัติไปเรื่อยรื่อยวิชาไหนยังไม่ผ่านก็ เดียนซ้ํามันไปเรื่อยๆเศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็หมั่นรักษามันให้บริสุทธิ์นสติยังไม่ต่อเนื่องก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องนั่งสมาธิแล้วยังไม่ได้อัปปนาก็นั่งมันไปเรื่อยๆนั่งไปจนกว่ามันจะได้อัปปนาสมาธิปัญญาก็หมั่นพิจารณาไปเรื่อยๆจนเห็นอย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตารร่างกายที่เราไปหลงรักก็ต้องมองเห็นให้ตลอดเวลาว่ามันเป็นอสุภะมันเป็นหนังหุ้มหนังเนื้อหุ้มโครงกระดูกเวลาที่ได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนนี้เคยคิดหรือเปล่าว่ากำลังได้โครงกระดูกมาเป็นแฟนถ้ารู้ว่าเป็นโครงกระดูกนียังอยากจะได้มาเป็นแฟนอยู่หรือเปล่า มองไม่เห็นโครงกระดูกกันเพราะถูกหนังเนื้อมันหุ้มห่อเอาไว้โดยปิดเอาไว้เหมือนกับถ้าเขาใส่อุจจาระในกล่องของขวัญหอ่อกระดาษอย่างสวยงามผูกโบมาให้เห็นเราก็อยากจะได้แต่ไม่เคยเปิดดูข้างในว่ามันเป็นอะไรถ้าลองเปิดดูข้างใน ว่าสิ่งที่ก็ให้มานี้มันเป็นอุจจาระนี้ก็โยนทิ้งทันทีแต่ไม่เคยเปิดไม่ยอมเปิดกันพอได้กลิ่นก็โยนทิ้งไปพอแผนตายไปเริ่มส่งกลิ่นเหม็นก็โยนทิ้งยกให้สับปเปลือกไปหากองใหม่หากล่องสวยๆในกล่องทุกกล่องที่ก็ให้มานี้มันเป็นกล่องห่ออุจจาระทั้งนั้นร่างกายนี้มันห่ อ, อไรไว้มันก็ห่ออุจจาระไว้ห่อปัสสาวะไว้ หอโครงกระดูกไว้แต่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยคิดว่าโอ้โหเป็นนายแบบนางแบบเป็นดาราภาพยนตร์เป็นนางงามจักรวาลอันนี้ก็เพราะไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญามันจะต้องเห็นว่าเป็นแค่หนังหุ้มห่อกระดูกหุ้มห่ออุจจารปัสวะหุ้มห่อเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองะ อุ้มหอลำไส้ของหน้าดูทั้งนั้นแหมะทาไมยังไปหลงรักยังไปชอบยังอยากได้อยู่ฆ่ากันตายก็เพราะไอ้พวกลำไส้นี่เองฆ่ากันตายเพราะโครงกระดูกโดยไม่รู้สึกตัวแย่งกันนี่แหละความหลงมันฉลาดขนาดไหนมันทำให้คนนี่มองไม่เห็นสิ่งที่สกปรปกสิ่งที่น่าเกลียด กลับไปเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักเป็นของสวยของงามเป็นของหอมไปชอบอยู่ใกล้ชอบดมกลิ่นนีน่ถ้าเพราะว่าไม่มีปัญญาต้องมีปัญญาต้องเห็นตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นคนนี้ต้องเห็นว่าเป็นกล่องหออหออุจจาระไว้เป็นกล่องห่อโครงกระดูกหออุจจลระห่อปัสสาวะ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่อยากจะมีแฟนจะไม่อยากจะนอนกับใครแม้กับร่างกายของตัวเองก็เหมือนกันร่างกายของตัวเองก็เป็นเป็นห่อหออุจจาระหอปัสสาวะห่อโครงกระดูกนี่เราจะไปลักไปหลงอะไรกับมันจะไปหลงความสวยงามของร่างกายของตนเองได้อย่างไระ ก็เลยไม่สำคัญไม่สนใจที่จะไปหลงไหลกับมันไม่ต้องไปคอยแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากอันนั้นเป็นของเหมือนกับเหมือนกับแต่งกล่องหออุจระนี่เองคอยเปลี่ยนโบคอยเปลี่ยนกระดาษแต่ไ้กล่องมันในในกล่องมันก็เปลี่ยนไม่ได้อุจระมันก็ต้องอยู่ในกล่องนั้นไปเรื่อยๆของที่สกปรกของที่น่าเกลียดไม่น่าดูมันก็อยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลา แล้วก็เพลงนำมาเปลี่ยนให้ห่อที่มาห่อไอ ห, ห่อไอของต่างๆเหล่านี้ใส่ชุดนั้นใส่ชุดนี้ชุดลาตีชุดลำลองชุดเราเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนกันเอมันก็แค่เป็นกระดาษห่อกล่องอุจจาระนี้เองแต่คนที่มีปัญญาเขาไม่มาเสียเงนินเสียทองมาเสียเวลากับเรื่องพันนี้หรอกเสียไปทําไมได้อะไรขึ้นมาเออ เห็นไหมเสื้อผ้าของภรรยาของผู้นําแต่ละคนนี่ตกเป็นแสนนะแล้วมันไปห่ออะไรมันก็ไปห่อโครงกระดูกห่ออุจจะละห่อปัสวะนี่แล้วมองไม่เห็นกันหนงไหลกันโอ้เห็นแล้วชื่นชมยินดีกันถ่ายภาพกันเก็บกันไว้ดูกันก็ดูกล่องสวยๆที่ห่ออุจจระหนี้เท่านั้นแหละจะไปดูอะไร หอโคงกระดูกอันนี้ก็เรื่องของปัญญาปัญญาเรื่องก็เรื่องของอาหารเห็นอาหารในจานแล้วก็น้ำลายไหลอยากจะกินกันไม่ไปดูเวลาที่มันเข้าไปในท้องแล้วออกมาเป็นอย่างไรบ้างลองดูเลยเนี่ยพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลณสัญญาผู้บาเพ็ญ น, นี้จะต้องผ่านเรื่องอาหารให้ได้ ถ้ายังติดอยู่กับเรื่องอาหารนี่มันก็มันก็ลาบากจะไปอยู่ที่ธุระกันดาร น, นี้ก็จะอยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่เงียบที่สงบที่ห่งางไกลจากความสุขความสบายทางร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเห็นอาหารที่กินว่าเป็นอุดจระนี่มันไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กินได้มีอะไรก็กินได้กินแล้วมันก็กลายเป็นอุดจระกินเพื่ออยู่ท่านั้นเองไม่ได้กินตามความอยาก ไม่ได้กินเพื่อเสรรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารกินเพื่อให้ยากับร่างกายให้ร่างกายไม่หิวดับความหิวของร่างกายได้ก็พอแล้วนี่คือเรื่องของปัญญาที่เรามีกันหรื อ, อยังถ้าอะไรยังไม่มีเราก็ต้องมาพิจารณากัน อ, อันนี้แหละมันมีวิชาต่างๆที่เราเรียนต้องเรียนกัน แล้วก็วิชาบางวิชามันก็ต้องเรียนสลับกันหเรียนเอ่เรียนพร้อมกันไม่ได้เช่นวิชาปัญญากับวิชาสมาธินี่มันเรียนพร้อมกันไม่ได้เวลานั่งสมาธิก็อย่าไปพิจารณาเวลาจิตสงบแล้วก็อย่าไปเพจจารณานั่งสมาธิเพื่อให้มันสงบให้มันสงบแล้วมันจะได้เป็นอุเบกขาเมื่อมันเป็นอุเบกขาแล้วมันจะมีกําลังสู้กับปัญหาความอยากต่างๆ แต่ถ้านั่งพอสงบปั๊บก็ดึงมันออกมาพิจารณามันก็ไม่มีอุเบกขาออกมาถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นกล่องอุจจาระมันก็ยังหลงรักอยู่ยังชอบอยู่เห็นอาหารถึงแม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นอุจจาระมันก็ยังอยากจะกินอยู่เพราะมันไม่มีกําลังสู้กับความอยากไม่มีอุเบกขาไม่มีความอิ่มในตัวของมันเองคนที่มีอุเบกขานี้มันมีความอิ่มมันไม่หิว ใจมันไม่หิวที่กินมันไม่ได้กินเพื่อเพื่อใจกินเพื่อร่างกายแต่ถ้าใจไม่มีอุเบกขานนี้มันมันกินเพื่อใจด้วยเพราะใจมันหิวด้วยบางทีมันกินมากกว่าร่างกายต้องการสิร่างกายมันบอกพอแล้วจะเป็นตุ่มแล้วแต่ใจมันยังหิวอยู่เพราะมันไม่มีอุเบกขามันถึงทำให้ร่างกายกลายเป็นตุ่มขึ้นมา แต่ถ้าใจมีอุเบกขาแล้วรับรองได้ว่าร่างกายนี้จะไม่เป็นตุ่มจะเป็นขวดมีสวดทรงมีโคง้งมีว้าวมีสัตว์มีส่วนอันนี้ก็เรื่องของสมาธิเวลาทำสมาธิอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาตามจิตให้มันรวมใช้สติควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียว หรืออยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวจวังการมันจะตกหุมตกล่อแล้วสงบแล้วนิ่งเวลานิ่งก็ไม่ต้องทําอะไรให้มันนิ่งไปางนานๆตอนนั้นถ้ามันเป็นอัปปนาสมาธิจริงๆมันจะไม่ต้องมันจะไม่อยากได้อะไรมันไม่อยากจะออกจากสมาธิเพราะมันเป็นความสุขเหลือเกินถึงไม่ต้องถามถ้าได้อัปปนาสมาธิแล้วไม่ต้องถามว่าทำยังไง มันก็จะรักษาไว้ให้นานที่สุดเหมือนได้แหวนเพชรมาแล้วจะทำยังไงจะไปให้คนอื่นนะจะเอาไปทิ้งเหรอหรือจะเก็บไว้ในตู้เซฟอันนี้ก็เหมือนกันอัปนาสมาธินี้มันมีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรนินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้ซะอีกเมื่อได้มาแล้วจะต้องไปถามใครหรือเปล่าว่าจะเอาเพชรนี้ไปไว้ที่ไหนดีจะไปทำอะไรดีกับเพชรอันนี้มันไม่ถามหรอกมันรู้ มันก็จะเก็บไว้เรือมังก เ, เอามาอวดเนี่ยมาโชว์กั น, น่ะฉันมีเพชรเนี่ยเห็นไหมเธอมีหรือเปล่าอคนที่มีสมาธิก็มาอวดได้ฉันมีสมาธิเธอมีหรือเปล่าอฉันมีอัปปนาสมาธิเธอมีหรือเปล่าฉันไม่ต้องเดินกาแฟฉันก็มีความสุขเอฉันไม่ต้องมีแฟนฉันก็มีความสุขเธอทําได้หรือเปล่าอันนี้คืออัปปนาสมาธิ มันได้มาแล้วมันไม่ต้องถามเราจะทำไงกับมันมันมีแต่ว่าอยากจะได้มากๆได้นานๆเท่านั้นเองคนที่ได้สมาธิใหม่ๆจึงต้องจะไม่อยากจะทำอะไรอยากจะทำสมาธิอย่างเดียวก็ปล่อยมันทำไปทําสมาธิไปจนกระทั่งมันอิ่มตัวเลยสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการตอนนั้นน่ะมันถึงเรียกว่าเรียนจบวิชาสมาธิแล้ว จะนั่งไปนานกี่วันมันก็ได้แค่นั้นมันก็จะได้แค่ความสงบได้อุเบกขาแต่สิ่งที่ต้องให้ทำบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญความสามารถที่จะเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการพอได้แล้วที่นี้แหละถึงจะต้องออกไปเรียนวิชาทางปัญญาต่อไปเปลี่ยนวิชาเรียนไปลงทะเบียนเรียนวิชาปัญญาไปเรียนศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตา ไปศึกษาอาหารเลปฏิกูลสัญญาไปศึกษาอสุภะไปศึกษาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายเนี้ยมันเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นตัวเราเอาดินน้ำลมไฟมาปั้นเหมือนกับเราไปเอาดินมาปั้นตุ๊กตาแล้วก็แปะชื่อเราเข้าไปกลายเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีแล้วก็มารักมาหวงกับไอ้ตุ๊กตาตัวนั้น พอมันเป็นอะไรไปก็ร้องโหย่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทั้งๆนี่มันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟะร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นดินน้ำลมไฟมันมาจากอะไรน้ําที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นน้ํำอาหารที่กินเข้าไปก็เป็นดินะข้าวมันมาจากไหนถ้ามันไม่มาจากดินผักมันไม่มาจากดินแล้วมันมาจากไหนได้ลมหายใจมันมาจากไหนมันก็มาจากลมนะ ไฟก็คือความร้อนมันมาจากไหนมันก็มาจากส่วนหนึ่งก็จากอาหารที่กินเข้าไปกินเข้าไปแล้วมันก็เริ่มทำการาย่อยมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาเนาะทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิอีกส่วนหนึงก็าหาสายความร้อนจากแสงแสงพระอาทิตย์นี่คือเรื่องของปัญญาที่เราต้องไปลงทะเบียนหลังจากที่เรา ได้สมาธิแล้วในมหาวิชาบางวิชานี้เขาไม่ให้เรียนถ้าเรายังไม่ได้เรียนวิชาอื่นมาก่อนต้องเรียนวิชาอื่นก่อนเขาถึงจะให้เรียนวิชานี้ได้พุทธศาสนาก็เหมือนกันจะมาเรียนปัญญานี้ได้ต้องเรียนสมาธิให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมาธิให้จบสมาธิก่อนแล้วค่อยมาเรียนปัญญา แต่สมัยนี้มันมั่วกันไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรศีลบางทีก็ยังไม่ได้เรียนจะเอาปัญญากันแล้วคนที่จะเอาสมาธิได้ก็ต้องเอาศีลก่อนต้องเรียนศีลให้ได้ก่อนต้องรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนอดข้าวเย็นให้ได้ก่อนอันนี้ข้าวเย็นก็ไม่อดหนังก็ไม่อดดูกาแฟก็ไม่อดดื่มแล้วจะมานั่งสมาธิจะให้มันเป็นอัปปนาขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีวันเป็นหรอก นั่งกันมากี่ปีแล้วคนขนาดที่เขามีมีศีลเขานั่งกันปีๆเขายังไม่ค่อยได้กันเลยแล้วพวกที่ไม่ได้รักษาศีลแปดเลยเนี่ยกาแฟาก็จะกินหนังก็จะดูสมาธิก็จะนั่งแล้วมันจะได้อัปปนาสมาธิขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีวันได้เนียวิชาต่างๆในมาหลาลัยไปเรียนดูก่นอนจะเรียนวิชานี้ก็บอกเรียนวิชานี้หรือยังยัง ไปต้องไปเรียนวิชานั้นก่อนถึงจะลงทะเบียนวิชานี้ได้เพราะเรียนไปก็เรียนไม่รู้เรื่องอยู่ดีถ้าไม่ไปเรียนอีกวิชานั้นก่อนเพราะมันเป็นวิชาที่ต่อเนื่องกันภาคหนึ่งยังไม่เรียนจะไปเรียนภาคสองแล้วแล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรกานปฏิบัติก็มันมันก็มีสามภาคภาคหนึ่งก็ศีลภาคที่สองก็สมาธิภาคที่สามก็ปัญญาต้องเรียนกันให้มันเป็น ขั้นขั้นไปซิไม่ใช่เนื้ออยากจะได้บรลลุกก็เอาปัญญาเลยอยากจะได้บุญเยอะๆบุญสูงสุดก็คือปัญญาแต่เรียนแล้วก็เรียนไม่ได้พิจารณาไม่ออกเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดเห็นคนก็สวยงามไปหมดไม่เห็นว่าเป็นกล่องออวุจละของหอโครงกระดูกเห็นอาหารก็ไม่เห็นว่าเป็นอุจจละ แล้วมันจะไปทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ถ้าไม่ถึงแม้ว่าจะเห็นถ้าไม่มีสมาธิก็ปล่อยไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่พอเห็นปั๊บนี่ลืมไปหมดเลยลืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปหมดกลายเป็นนายแบบนางแบบไปหมดเลย กลายเป็นดาราภาพยนตร์ไปหมดนี่แหละคือเรื่องของปัญญาเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลที่เราจะมาได้เรียนรู้กันจากการมาฟังเทศฟังธรรมกันทุกคนถ้าอยากจะไปมรรคผลนิพพานนี้ผ่านวิชาการเรียนธรรมไม่ได้ต้องเรียนธรรมก่อน ต้องไปดูถ้าป็นมาหาอะไรก็ต้องไปถามอาจารย์ก่อนว่าจะเป็นแพทย์นี้จะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างแล้วไปเปิดดูอ้แปะหกปีต้องเรียนวิชาต่างๆเหล่านี้เรียนไหวไหมสู้ไหวไหมดูศพไหวไหมผ่าศพไหวไหมนักศึกษาบางคนพอ ร, รั่วจะต้องผ่าศพไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนวิชาเรียนดีกว่า ไปเรียนคณิตศาสตร์ดีกว่าไปเรียนสถาปัตย์ดีกว่าะไปวาดเขียนดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันใครอยากจะไปมรรคผลนิพพานก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมก่อนมาเรียนรู้ก่อนว่าจะต้องเรีเรยนวิชาอะไรบ้างจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องปล่อยวางความกลัวปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายเนี่ยกล้าปล่อยไหมกล้าไปอยู่ป่าช้าคนเดียวไหม กล้าไปอยู่กับในปา่าในเขาคนเดียวนนี้แหละมันเป็นวิชาของทางธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ปฏิบัติแล้วถ้าไปศึกษาจากผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติเรื่องไหนที่เขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้ทาเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่สอนเขาก็สอนแต่เรื่องที่เขาทําได้เรื่องง่าย เรื่องยุบหนาฟองหนาพุทธเข้าโทรออกเขาก็พูดแค่นั้นสอนแค่นั้นแต่เรื่องอย่างอื่นเขาไม่สอน เ, สนเขาไม่ปฏิบัติสิ่งไหนเ็าไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่สอนต้องไปเรียนกับผู้ที่เขาปฏิบัติครบทุกขบวนการศีลก็รักษาแปดสิบสองรอยี่สบเจ็ดศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ด สมาธิก็เข้าอัปปนาได้เป็นเวลายาวๆนานๆเข้าได้ตลอดเวลาปัญญาก็เห็นใตรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นอาหารเลยปฏิกูรสัญญามันต้องเห็นต่างสิ่งต่างๆแล้วก็เอาไปเข้าห้องสอบด้วยเห็นแล้วก็ต้องออกไปเข้าห้องสอบร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยมันยังไงก็ไปปล่อยมันไว้ในป่าชา้า ปอยมัในป่าให้มันเจอสิ่งที่มันน่ากลัวสิ่งที่มันเป็นอันตรายดูใชว่าปล่อยได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้แล้วจิตจะสบายใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไปเห็นอสุภะไหมเห็นซากศพไหมเห็นเห็นเป็นอ่อ่า โครงกระดูกคออุจจละหัวปัสสาวะหรือเปล่าเห็นกล่องเป็นกล่องห่อของเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัตินต้องมีครูอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยบอกถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครจะอยากจะพิจารณาของเหล่านี้หรอกไม่มีใครอยากจะพิจารณาความตายไม่มีใครอยากจะพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะพิจารณาซากศพ ไม่มีใครอยากจะพิจารณาอสุภะไม่มีใครอยากจะพิจารณาอุจจาระถ้าไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ตัดตันหาความอยากไม่ได้และความหลงไม่ได้ความหลงมันไปเห็นว่าเป็นอาหารมันไม่ได้เป็นอุจจาระเห็นว่าเป็นนางงามนางฟ้านายแบบนะเป็นดาราภาพยนตร์มันไม่ได้เห็นว่าเป็นอสุภะกัน ยังต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆฟังหนเดียวเดี๋ยวมันก็ลืมต้องมาฟังอยู่เรื่อยๆบุญที่เกิดจากการฟังธรรมนี้เป็นตัวที่จะจุดประกายจุดไฟให้ลุกขึ้นมาถ้าเป็นฉนวนของลูกระเบิดก็ทอจุดชนวนแล้วเดี๋ยวลูกระเบิดมันก็ระเบิดตูตมตามขึ้นมาธรรมที่จะมาฆ่ากิเลสก็ต้องจุดชนวน ด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วมันก็จะเริ่มระเบิดฆ่ากิเลสต่างๆได้หมดแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันอีกต่อไปมีแต่ความสุขตลอดเวลาในพระนิพพาน นิพพานางังปละมังสุ ข, ขงังนิบานาณนิพพานเป็นความเป็นบรล ม, มะสุขเกิดจากการที่เราทําบุญที่สําคัญที่สุดคือการฟังเทศฟังธรรมพอเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติต่อไป แล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรที่สำคัญที่สุดเราก็จะรู้เพราะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติสติเนี่ยต้องเจริญสติสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคนไม่มีสติแล้วรักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้คนที่ไม่มีสติคืออะไรคนบ้าคนที่นอนหลับคนตาย คนที่เมาสุราคนเหล่านี้ไม่มีสติที่จะมารักษาศีลที่จะมานั่งสมาธิที่จะมาเจริญปัญญาได้ันต้องมีสติแล้วต้องมีสติอย่างต่อเ น, นื่องตลอดเวลาเป็นสติแบบมหาสติคือไม่เผลอไม่ลืมสามารถควบคุมความคิดไม่ให้ดึงใจให้ลอยไปกับไปในอดีตไปในอนาคต ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี่แหละจะได้รู้ว่าต้องการต้องปฏิบัติอะไรหลังจากฟังเทศฟังธรรมแล้วศีลก็รักษาต้องมีสติถึงจะรักษาศีลได้ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็เพูดพูดเพลอจะพูดส่อเสียดกันพูดคำหยาบกัน ถ้มีสติแล้วมันจะรู้ทุกวาระที่จะเ อ, อ่ยปากออกมาสตินี้จะดูตลอดเวลาว่ากําลังจะพูดอะไรกําลังจะทําอะไรก็จะาสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็สามารถหยุดความคิดได้พอจะคิดถึงอดีตก็หยุดมันพอจะคิดถึงอนาคตก็หยุดมันพอคิดถึงขนมนมเนยก็หยุดมันคิดถึงกาแฟก็หยุดมัน ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุโทโธช่วยสร้างสติขึ้นมาอบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะไปคิดถึงขนมน ม, นมหน่อยไปไปคิดถึงกระพงกาแฟอะไรต่างๆไม่ได้อืแล้วมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายถ้ามันนั่งเฉยๆมันก็จะรวมลงตกหลุมตกบ่อเข้าสู่ความสงบเต็มที่นี่ก็จะได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิ พอมีอัปปนาสมาธิก็จะมีอุเบกขาพอมีอุเบกขาพอเจริญปัญญาจะปัญญาบอกว่า น, นี่เป็นทุกข์อย่าไปเอามันก็หยุดได้กาแฟเป็นทุกข์อย่าไปเอาหยุดได้ขนมนมเ น, มนยเป็นทุกข์อย่าไปเอาหยุดได้ถ้ามีอุเบกขาเราหยุดได้ไม่กินขนมไม่ตายไม่ดื่มกาแฟไม่ตายตายก็ช่างมันไอ้ที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดียังไงมันก็ต้องตาย ดื่มกาแฟเม่อไม่ดื่มกาแฟมันก็ต้องตายอยู่ดีเองแต่ว่าดื่มแล้วมันทุกเวลาไม่มีดื่มแต่คนที่ไม่ดื่มกาแฟเวลาไม่มีกาแฟดื่มจะไม่ทุกข์เป้าหมายอยู่ที่การดับทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การรักษาร่างกายหรือไม่รักษาร่างกายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายแต่ต้องการรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ให้ทุกข์ไปกับตัรหาความอยาก ต้องใช้ปัญญาต้องใช้อัปปนาสมาธิถึงจะทําได้นี่แหละคือเรื่องของบุญที่เรามากระทํากันในวันนี้บุญที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะจะทําให้เราได้สัมมาทิฏฐิได้ความเห็นที่ถูกต้องให้เห็นว่าทุกของเราเกิดจากตัณหาของเราการจะดับทุกข์ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอสุภะมันเป็นปฏิกูนถ้าอาหารก็เป็นปฏิกูลถ้าคนก็เป็นอสุภะถ้าสิ่งต่างๆก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วนำมาไปปฏิบัติได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรต่อไป เพราะเราจะไม่มีอะไรเราจะไม่เราไม่มีอะไรเราไม่ต้องมีอะไรถ้าเรามีความสงบแล้วเราไม่ต้องมีอะไรถ้าเราตัดความอยากได้แล้วเราจะสบายจะไม่มีอะไรมาทําให้เราทุกข์อีกต่อไปดังนั้นขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพณิตปิ จ, จารณาไปปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรินติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุป ก, ปกบปฏิ อิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสะมิจโตสะเพปเรนโตสัง a ปาจันโทปนะหราโ y ยะธามณิจโตติระโสยะธาสัพพิติโยเวห์จันตุสัพพะโรโขเวนะสัตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะ อพิวาทนาสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตาโรโหธรร ม, มวทานติอายุวันโนสุขังพาลางังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ ขอเชิญถามได้ขึ้นมาบนสารานี้พูดผ่านทางไมโครโฟนได้ขอให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากเลิกเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้ผู้ที่ติดตามทางบ้านได้ส่งข้อความเข้ามาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ในเพจบลูเลูบมีสามร้อยแปดสิบคนคะ่ะตอนแรกเหลือตอนนี้เรือสองรอห้าสิบสามค่ะ ยูทูบห้าสิบเจ็ดคนค่ะตอ น, นอเริ่มกลับเป็นปกตินะเงินปกติช่วงวันหยุดจะสองร้อยกว่าถ้าวันธรรมดาก็สามรอยกว่าแสดงว่ากลับบ้านกันแล้วช่วงนี้เหนื่อยแล้วไปเที่ยวกันพอหมดแรงแล้ว พ, กพักผอนเตรียมทํางานทําการต่อเตรียมหาเงินเพื่อไปเที่ยวต่ อ, อมันก็วนเวียนอย่างเนี้จนวันตายไม่ได้อะไรได้แต่เที่ยวได้แต่หาเงินอ ตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปได้ก็บ้างบุญบ้างนิดๆหน่อยๆเอาเวลาเก้าสิบเอร์เซ็นไปหาเงินไปเที่ยวกันเอาเวลาสักสิบเปอร์เซนมาทำบุญกันมันก็เลยได้บุญไปนิดเดียวไม่เหมือนกับพวกที่เขาไม่ไปทํางานไม่ไปเที่ยวเอาเวลามาหาบุญทุกวันทุกเวลาตายไปก็เอาบุญไปเยอะแยะเป็นเศรษฐีบุญกัน เป็นเทพมันเป็นพรหมเงินเป็นอริยบุคคลเงินมีคำถามเข้ามาไหมเยอะค่ะวันนี้คาถามคำถามแรกจากจากทางอินบ x นะคะจากคุณจิตประพัสอนการข้ามเวทนาจะใช้กําลังใหญ่จากสิ่งใดในการข้ามคะก็ใช้สติหรือใช้ปัญญาเบื้องต้นถ้ายังไม่มีปัญญาก็ใช้สติก่อนเพราะสติมันง่ายกว่าปัญญา สติก็พุโทโธพุธโทโธไปบริกรรมไปหรือสวดมนต์ไปให้เราใช้จิตมีอะไรทําอย่าให้มันไปคิดถึงเวทนาแล้วมันจะไม่เดือดร้อนเวลาเราดูหนังนี่มีหนังดูมันปวดฉี่มันยังไม่เดือดร้อนมันจะนั่งดูทนดูได้ไม่อยากจะลุกไปฉี่เพราะเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าหนังจะไปถึงไหนหรือนั่งเล่นภายในบางทีปวดฉี่ก็ไม่ลุกหิวข้าวก็ไม่ไป ขอให้จิตมันมีอะไรทําแล้วมันทนได้มันสู้กับเวทนาได้ให้เวลานั่งเฉยๆต้องให้มีอะไรมันทําให้มันบริกรรมไปให้มันสวดไปถ้ามันสวดไปบริกรรมไปไม่ไปคิดถึงความเจ็บแล้วความเจ็บมันจะไม่ดุนแรงที่มันดุนแรงเพราะความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปแล้วอยากจะลุกนั่งไม่อยากจะนั่งแล้วไอ้ตัวนี้น่ะที่ทําให้นั่งไม่ได้ที่มันทรมานใจ ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากความเจ็บไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ทุกข์ทรมานใจแต่ความอยากให้หายเจ็บเรื่องความอยากจะนีจากความเจ็บไปเนี่ยงั้นตอนต้นแล้วเราใช้ปัญญาสอนใจไม่ได้ก็ต้องใช้สติก่อนใช้สติหยุดใจสร้างกำลังขึ้นมาก่อนสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนพอสร้างได้ต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าความเจ็บมันก็อย่างนี้แหละเกิดดับ้ไม่เที่ยง อนัตตาเราไปคุมมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายไม่มีความอยากให้มันมาไม่มีความอยากให้มันไปปล่อยมันมาปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาเราก็จะอยู่กับเวทนาได้ทั้งสามชนิดสุข ก, ก็อยู่ได้ทุกข์ก็อยู่ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อน คำถามจากคุณละองดาวถ้าลูกปล่อยวางทําใจให้เป็นไปตามกรรมการพลัดพรากจากของที่รักแล้วคนที่เราต้องดูแลล่ะคะเขายังไม่สบายลูกลูกควรทําอย่างไรคะก็ไม่ได้สอนให้ปล่อยเนี่ยดูแลก็ดูแลไปสิที่ให้ปล่อยก็คือใจเราอย่าไปทุกข์กับเขาเรามีหน้าที่ดูแลก็ดูแลอันนี้มันจะเอาแบบกิเลสเนี่ยจะปล่อยแบบกิเลนไม่อยากจะเลี้ยงเขา ก็เลี้ยงเขาไปสิดูแลเ็าไปรักษาเ็ไปจนกว่าเขาจะตายไปแต่เราไม่ไปทุกข์กับความตายของเขาอันนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ละเลยหน้าที่การเลี้ยงดูกันใ ห, ให้ปล่อยวางเรื่องของความตายว่าห้ามไม่ได้ถึงเวลาจะตายก็ให้เขาตายไปออ่เขายังไม่ตายเขายังต้องกินก็ต้องให้อาหารเขากิน เขายัางต้องมียารักษาก็ต้องให้ยารักษาเข้าไปไม่ใช่เพราะว่ามึงจะตายแล้วกูไม่ทําอะไรให้มึงก็แล้วปล่อยให้ตามเวรตามกรรมอย่งังองมันไม่ใช่อันนี้ไม่เข้าใจถ้าจะปล่อยงั้นต้องปล่อยที่ตัวเรามันจะตายมไม่ต้องกินไม่ต้องเลี้ยงมันไม่ต้องรักษามันถ้าตัวเราเนี่ทําได้กับคนอื่นนี่ถ้าเรายังมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็ต้องทําไปไม่งั้นจะถือว่าเป็นคน ไม่มีความรับผิดชอบเนือไม่มีความเมตตากรุณาใจไม้ไส้ระ ก, กรรมอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวคำถามจากคุณวลัยเวลาเลี้ยงสุนัขเขาให้ความสุขเราก็สุขแต่พอเขาเจ็บป่วยเราก็ทุกข์กับเขาขอข้อธรรมให้ปล่อยวางไม่ยึดติดกับเขาคะ่ะ ก็ต้องคิดบ่อยๆว่าเขาต้องเจ็บเขาต้องตายเอเขาต้องแก่คิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เห็นเข า, าเดี๋ยวมึงต้องแก่แล้วนะเดี๋ยวมึงต้องเจ็บแล้วนะเดี๋ยวมึงต้องตายแล้วนะคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่ยึดไม่ติดนะคําถามจากคุณน้าหมวยลูกกําลังจะไปให้คีโมยังไม่รู้จะแพ้หรือเปล่าอยากไปอยู่วัดทําจิตให้สงบคงไม่มีบุญลูกขอพรจากหลวงพ่อคะ่ะ ก็พุดโธไปเวลาไปคีโมก็พุดโธไปอย่าไปตีตนก่อนไข่หมอยังไม่ทันฉีดยาก็เจ็บไปก่อนแนละ้วนี่หมอยังไม่ทันให้คีโมก็เจ็บไปนะ้วรอให้มันเจ็บก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาใช้สติสู้กับมันไปถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะไม่ทรมานที่ทรมานเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาอยากจะให้มันหายเจ็บยิ่งอยากมันยิ่งทรมานใหญ่ คำถามจากคุณสุรีพรลูกเจอคนคนหนึ่งลูกลูกรู้สึกผูกพันเวลาเจอเขาอยากถามว่าเรามีกรรมผูกพันกันไหมพอลูกเกิดวันเสาร์เขาเกิดพุธกลางคืนมีอะไรเหมือนกันมากมันไม่มันไม่ได้อยู่ที่วันวันเกิดวันอะไรหรอกมันอยู่ที่ความพอใจถ้าเราพอใจกับสิ่งไหนเราก็จะมีความผูกพันกับสิ่งที่เราพอใจ ทำไมลูกถึงชอบอะไรเกี่ยวกับพญานาคลูกจะระลึกชาติได้ไหมคะเคยเจอเหตุการณ์ต่างๆเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วอก็นั่งสมาธิไปถ้าอยากจะระลึกชาติได้ก็ต้องนั่งสมาธิไปคําถามจากผู้ฝากถามที่ศาลานะคะอยากดื่มเหล้ามากแก้ไขอย่างไรทุกครั้งอยากจะดื่มเหล้าก็เทใส่แก้วแล้วก็โยนมันทิ้งไปในห้องน้ำเพราะเดี๋ยวกินเข้าไปในร่างกายมันก็ต้องเข้าไป ไปที่ห้องน้ําอยู่ดีเรื่องอะไรเราเอาร่างกายเรามาเป็นที่กรองสุลาเอาเอาเอาพิษโุลาไว้ในร่างกายเราทําไมอยากจะดื่มเหล้าก็เทใส่แก้วใส่น้ําแข็งอย่างดีเลยเอโซดงโซดาเสร็จแล้วก็ไปนั่งที่ห้องน้ําแล้วก็เทมันใส่มาในส้วมะเดี๋ยวมันก็ไปที่นั่นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวดื่มโุลาเสร็จแล้วมันไปไหนน่ะมันก็ไปฉี่ไม่ใช่เนะ เรื่องอะไรเราต้องมาทําให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับมันด้วยอยากจะดื่มก็ดื่มได้เทใส่แก้วแล้วก็เทไอคนอยากดืม่มมันก็ไม่ได้ดืม่มหมดดีใจเป็นผู้อยากดืม่มร่างกายมันอยากจะดื่มที่ไหนร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอกใจอยากจะดื่มก็เอาเลยเอาวิสกงวิ ส, ส ก, กี้อะไรอย่างดีใส่แก้วสวยสวยงามใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ชงเสร็จแล้วก็ไปเทใส่ส้วมไปก็ได้ดื่มแล้วอ รู้ชิมเท่หน่อยก็ได้ชิมทักหยดหนึ่งก็พอให้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เททิ้งไปออย่างนี้จะได้ต่อไปจะได้ไม่ดื่มเสียดายเงินอ <c oughs> ที่ร่างกายไม่เสียดายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปเสียเงินรักษาเป็นแสนไม่เสียดายเสียดายเหล้าที่จะต้องเททิ้งไปทุกใจลูกป่วยต้องทําอย่างไรคะ ก็ใครบอกให้ท <würden ancia> ุก <Ox> ข um> ์เราลูกป่วยก็เรื่องของลูกเราไม่ได้ป่วยเราไปทุกข์กับเขาทําไมเอพอเราอยากให้เขาไม่ป่วยนี่เราอยากแล้วทําให้เขาหายป่วยหรือเปล่าถ้าเราทุกข์แล้วทำให้เขาหายป่วยก็ทุกข์ไปเถิดถ้าทุกข์แล้วทำให้เขาไม่หายป่วยไปทุกข์ไปทําไมใช้ปัญญาสิใช้เหตุผลพิจารณาดูเหมือนกับตีหัวเราแล้วลูกลูกจะหายหายป่วยไหม แอนลูกป่วยก็เราคอยมาทุบศีรษะเราทุบให้มันเพื่อลูกจะได้หายป่วยมันไม่หายหรอกคำถามจากทาง Facebook Live ค่ะจากคุณปอนเวลานั่งภาวนาผมจะกำหนดพุทโธหนึ่งพุทโธสองไปเรื่อยๆจ น, จนพุทโธสิเพื่อเป็นการเช็คสติทุกขณะจิตการภาวนาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ดูที่ผลเลยถ้าจิตมันสงบจิตมันรวมก็ถูก ถ้าจิตยังไม่รวมก็ยังต้องก็ต้องทำต่อไปทำไปจนกว่ามันจะรวมถ้าไม่รวมก็อาจจะเอาแค่พุทธโธอย่างเดียวเพราะมันคิดแล้วเนี่ยวมันก็จะทำให้มันไม่สงบมันไม่รวมแต่การคิดนี่มันก็จะช่วยได้ในตอนต้นทำให้เราไม่ไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเราต้องการหยุดคิดนี่เราต้องให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทธโธคาเดียว คำถามจากคุณนาราเหตุใดเราต้องยึดติดทำไมเราต้องทุกข์ทำไมต้องวิ่งไหว้าตายเกิดไม่รู้จักยอมรับความจริงครับก็เพราะว่าความหลงหลงคิดว่าสิ่งที่เราได้มาเป็นของน่ารักให้ความสุขกับเราเราก็เลยยึดติดเพราะเราอยากจะมีความสุขไปนานๆ ก็เลยยึดติดแต่เราไม่รู้ว่าของที่เราได้มามันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วเราก็เลยต้องทุกข์กับมันคำถามจะคุนนกดีเขาไม่ประสงค์ออกน้ำขอโทษคะหลวงพ่อเจ้าค้ารักษาศีลแปดเองที่บ้านกินข้าวสองขาบตอนเช้าแปดโมงขาบที่สองไม่กินก่อนเที่ยงเพราะยังไม่รู้สึกหิว แต่ไปกินช่วงบ่ายสองโมงหรือบ่ายสามแทนได้ไหมคะ อ, อ๋อไม่ได้หรอกอย่างนี้มันเรียกว่ามันยังยังยังอยากกินอยู่ไม่ได้กินเพื่อร่างกายกินเพื่อร่างกายกินคาบเดียวก็พอกินก่อนเที่ยงหรือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยยังพระนี่บินตบบาทกลับมาสองโมงเช้าก็หบ่ากันละพอฉันเสร็จแล้วก็หมดปัญหาไปละ บันทีเดียวมันเต็มถังไปเลยทำให้ต้องมาแบ่งเป็นเติมสองสองตอนเวลาต่อยปั๊มน้ํามันไม่เห็นไปเติมมันสองสองตอนเลยบางที่เต็มถังเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปจอดเติมอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวดีไม่ดีมันหมดไปเองกินอาหารเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้มันจะรู้สึกหิวบ้างมันไม่ใช่หิวที่ร่างกายหรอกมันหิวที่ใจใจมันเคยกินพอถึงเวลาที่มันจะกินมันก็มันก็หิวขึ้นมา แต่มันร่างกายมันไม่เดือดร้อนหรอกมันไม่ได้กินเพราะได้ให้มันเต็มที่แล้วให้มันกินเออให้มันเต็มท้องเลยพอมันเต็มอิ่มกินไม่ลงแล้วทีนี้ก็พอแล้วคําถามสกุนูทีิพงการที่ต้องบรรลุธรรมในภพมนุษย์เท่านั้นเพราะเรามีกายหยาบเพื่อพิจารณาอสุภะซึ่งพบกายทิพย์หรือพบอบายไม่มีใช่ไหมครับออบายก็นอกจากเดรัชานะ่ะเดรัชานก็มีกายหยา มนุษย์ก็มีกายหยาบนอกจนั้นก็เป็นกายทิพย์หมดคือมนุษย์ก็มีทั้งกายทิพย์ทั้งกายหยาบไม่ใช่ไม่มีกายทิพย์เนี่ยพวกเราเนี่ยมีสองกายรู้เปล่าร่างกายนี้ก็คือกายหยาบใจก็คือกายทิพย์นี่เวลาเรานอนหลับนี่เราก็อยู่กับอยู่กับกายทิพย์เพียงอย่างเดียวกายทิพย์ก็พาเราไปเที่ยวไปท่องเที่ยวในสวรรค์ในนรกไปฝันดีฝันร้าย เวลาที่เราล่างกายตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาอยู่กับกายหยาบคำถามจากคุณสิริวันโยมจะมีโอกาสได้ไปฝึกอยู่ถ้ำหนึ่งคืนที่ผ่านมาก็ถือศีลและเข้ากรรมฐานยังไม่ทราบว่าถ้าอยู่ในสถานที่แบบนั้นจะคุมใจได้หรือเปล่าคะ่ะอไม่ลองก็จะไม่รู้นะ<ำ> ต, ต้องทดลองดูถ้าอยากจะรู้ก็ต้องพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ ายการท้าพิสูจน์ใช่ั้มคำถามจากคุณนันทนาพระพุทธเจ้าไม่ให้พระรับเงินทองเป็นสิลของพระใช่ไหมคะแต่ที่เห็นพระก็รับบริจาค ก, กันจะรับเงินโดยโตรงหรือใช้ใบโมทนาจะต่างกันอย่างไรก็รับเหมือนกันพระบางรูปถึงรวยมากๆพระรับเงินได้แต่ไม่ให้รับกับมือไม่ให้ครอบครองไม่พกติดตัว แต่เนื่องจากโลกนี้บางทีมีสิ่งบางอย่างที่ญาติโยมไม่ได้ใส่บาตรมาให้เช่นหยกยาบางชนิดพระก็ต้องการพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตให้ฝากเงินไว้กับลูกศิษย์ได้แล้วให้ลูกศิษย์เป็นคนไปจัดซื้อของที่พระต้องการได้ของก็ควรจะเป็นของที่เหมาะสมกับความบริโภคของพระคือปัจจัยสี่ อาหารยารักษาโรคจีวรที่อยู่อาศัยเป็นต้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าส ม, มณะบริโภคแต่ถ้าเอาไปซื้อไอโฟนไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่อันนี้มันก็ไม่เหมาะสมะ เ, เงินทองนี้รับได้เพื่อให้มาเยียวยาดูแลร่างกายเพื่อจะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมไปบรรลุธรรมนั่นคือเป้าหมาย ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้รับเลยแต่ต่อมามันก็มีพวกคนที่เข า, เ อ, าอาจจะเป็นพวกมีฐานะหน่อยมาบวชเขาไม่ทระเหจอดทนเหมือนลูกชาวนาชาวไร่เขาต้องมียาหมองมียาอะไรมาคอยโยายาร่างกายเขาก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าขอซื้อของจําเป็นเหล่านี้พระพทเจ้าก็เลยอนุโลมว่า ให้พระรับเงินได้แต่ไม่ให้รับไว้กับมือไม่ให้เก็บไว้เองให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เราเชื่อใจได้เก็บไว้ให้และเวลาต้องการอะไรก็ไปบอกให้ลูกศิษย์เขาไปจัดมาให้ถ้าเขาออมเงินไปก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของพระเป็นเงินของญาติโยมฝากไว้ก็มีเพียงแต่ไปบอกญาติโยมที่ให้เงินมาว่าอย่าไปให้กับคนนี้นะต่อไปนี้เพราะเขา ให้แล้วเขาไปใช้หมดก็ไม่ให้เราใช้เลยคำถามจะคุณสีนาศถ้ายังต้องทำงานศึกษาข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองจากทางเฟ e บ o o k หรือเพื่อรู้จักภัยรอบตัวทางข่าวสารเพื่อระมัดระวังตัวหรือเพื่อซื้อข้าวของในการดำรงชีวิตจะมีวิธีใดทำให้สมาธิให้ได้อุเบกขาคะมันไม่ได้หรอกมันจะเอาทั้งสองอย่างได้ไ เอาทั้งน้ำร้อนอทั้งน้ําเย็นอากาแฟร้อนกาแฟเย็นเรามาปนกันดูนะ่ามันจะได้กาแฟอะไรก็ากาแฟอุ่นคําถามจากสามเณรพิจิวัตการถวายข้าพระพุทธเพื่ออะไรครับพระองค์ทรงเข้านิพพานแล้วจะให้ใครมาฉันครับอามันถามเราทําไมล่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน มหายานกับหินญาณแตกต่างกันทางด้านวินัยหรือคําสอนครับจึงต้องแยกกันแล้วทางมหายานจะมีโอกาสเข้าสู่นิพพานใหม่ครับมีมหายานกับหินยาณนี่ต่างกันตรงพระวินัยศีล2องร้อยย่ข้ อ, อ, อพวกหนึ่งเขาบอกว่าบางข้อเลิกได้ไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติตามพวกหินยานก็ว่าไม่เลิกเพระพุทธเจ้าตั้งมาให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไป สมัยพระพุทธเจ้าอยู่ก็ก็ยังปฏิบัติกันได้พอพระติยาวตายไปแล้วทำไมจะปฏิบัติไม่ได้พวกเห็นนิยามบอกไม่จําเป็นพระเจ้าเคยสั่งไว้ว่าถ้าเห็นว่าศีลข้อไหนไม่จําเป็นจะต้องรักษาก็ไม่ต้องรักษาก็ได้ก็เลยมีแบ่งเป็นสองพวกไปเพราะว่าจะอยู่ร่วมกันไม่ได้พวกนึงเขาอยากจะรักษาพวกนึงบอกแต่ต้องเงินทองไม่ได้จับเงินทองไม่ได้ครอบครองเงินทองไม่ได้ ที่พวกนี้ไม่เป็นไรเพราะสมัยนี้มันจําเป็นเอจะไปไหนมาไหนก็ต้องจ่ายค่ารถค่าอะไรเอเขาก็เลยแบ่งเป็นสองพวกในเมืองไทยก็เลยมีธรรมยุทธกับมานิการมานิกายเขาก็พกพาเงินทองได้รับเงินกับมือได้ธรรมยุทธบอกต้องให้ลูกศิษย์ถือให้จะไปไหนก็ต้องมีลูกศิษย์เป็นคนเป็นไฟแนนเซียเป็นเลขา คือเงินไปเองไม่ได้คําถามจากคุณประหยัดนั่งสมาธิภาวนาพุทโธสามสิบนาทีแรกพอนั่งได้อีกสามสิบนาทีหลังปวดขามากจนเหลือแต่พุทโธกับปวดขาจะแก้ไขอย่างไรครับทนไม่ได้ถึงหนึ่งชั่วโมงครับก็พยายามอยู่กับพุทโธไปให้มันขาดใจตายไปเลยสู้ไม่ถอยแค่อ ย, อยู่กับพุทโธไปอย่าไปให้ความสําคัญกับความเจ็บปวด แล้วถ้ามันสู้ไหวเดียวมันผ่านได้มันผ่านแล้วความเจ็บปวดจะหายไปใจจะใจก็จะสงบที่มันไม่พุทโธเพราะกิเลสมันไม่ยาวมันอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นลดแล้วมันอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วมันก็เลยไม่มีกะจิตกระจอยู่กับพุทโธเราต้องฝืนต้องบังคับให้มันอยู่กับพุทโธไปนั่นจะรู้สึกว่าจะขาดใจตายไปกับพุทโธแค่มันตายไปแล้วเดี๋ยวพอมัน ยอมตายปุ๊บนี่มันกิเลสมันก็จะยอมแพ้ทันทีแล้วใจก็จะสงบแล้วเวทนาก็จะหายไปถ้าไม่หายมันก็จะไม่มารบกวนใจคําถามจากคุณนัดพยายามจะนั่งสมาธิให้นิ่งโดยใช้พุทโธแต่เมื่อนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงอยากจะกลืนน้าลายกลืนได้ไหมคะไม่ตเอาไปกลืนมันปล่อยมันไหลไปพุทโธต่อไป คำถามจะคุณซาลีนาแม่บ้านมาทําความสะอาดถูบ้านรีดผ้าให้แต่เขาเป็นคนมือไวไยของหายประจํทาทั้งที่เราก็ให้เงินข้าสารอาหารอยากทราบว่าแม่บ้านจะตกนรกไหมคะ อ, อ๋อถ้าแค่ทํำบาปแค่ขโมยของด้วยความไม่รู้และด้วยความโลภ ก, ก็ไม่ไม่ไม่เป็นเดลฉานก็เป็นเปรตยังไม่ถึงขั้นไปนรกนรกนี้ต้อง เกียดแค้นพยาบาลฆ่าคนเนี่ยถึงจะไปนรกถ้าลักทรัพย์นี่ส่วนใหญ่จะไปเป็น เ, เหมือนหมาหมามันฆ่าของเราไว้ในบ้านว่าเผลอมันก็ค่าไปกินอย่างเงี้ยคนใช้ก็เหมือนหมาเราเอาข้าวกับข้าวางไว้มันอยากกินมันก็เอาไปกินเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยเนี่ยก็เป็นหมาไปแต่ถ้าอยากได้มากๆเอาไปเก็บไปสะสมไว้กลัวจะอดตายเลยถ้ากลัวอดตายก็เป็นนสุลรรกาย ถ้าอยากจะมีมากๆก็เป็นเปรตถ้าค่าเจ้าของบ้านเพื่อจะเอาบ้านเอาช่องนี้ก็จะเป็นนรกไปคำถามจากคุณบัวพ้นน้ํขนาขณะนั่งสมาธิภาวนาแล้วได้ยินเสียงรบกวนควรใช้คําว่าสักแต่ว่าได้ยินบอกตัวเองแบบนี้ได้ไหมคะไม่ต้องไปว่าอะไรอยู่มันดูลมก็ดูไปพุดโธก็พูดโธไปต่ออย่าไปสนใจ คำถามจากคุณมาเดี่ยวผู้บรรลุธรรมอาจมีของแถมคืออภิน ญ, ญาหรือไม่ก็ได้แล้วบุคคลประเภทใดถ้าบรรลุธรรมแล้วจะมีครับคือการบรรลุธรรมนี้มันไม่เกี่ยวกับอภิญญาอภิญยามันเกี่ยวกับการนั่งสมาธิคนนั่งสมาธิบางคนก็ได้อภิญญาบางทีก็ไม่ได้อภิญญาแต่คนบรรลุธรรมนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับการได้อภิญญา อวันรู้ธรรมนี้มันจะได้หลุดพ้นจากความทุกเพียงอย่างเดียวคําถามจะคุณพรพรมการจะตัดกรรมในอดีตและปัจจุบันควรทําอย่างไรครับออดีตมันผ่านไปแล้วตัดไม่ได้ต้องต้องต้องไม่ทํากรรมใหม่นั่นเองกรรมในอดีตผ่านไปแล้วก็ต้องรอให้มันส่งผลเท่านั้นเองส่วนปัจจุบันเราอย่าไปทํากรรมใหม่มันก็จะไม่มีผลตามมาคําถามจะคุณวัดลี วิธีมาให้กลัวผีต้องทำอย่างไรครับก็ต้องไปอยู่กับผีนี่ถ้าอยู่กับผีแล้วมันก็ชินกันมันก็ไม่กลัวเรากลัวอะไรก็ต้องไปอยู่กับสิ่งที่เรากลัวกลัวงูก็ไปอยู่กับงูกลัวอะไรก็ไปอยู่กับสิ่งที่เรากลัวเดี๋ยวมันจะได้ปรับใจได้ปรับใจให้อยู่กับสิ่งที่เรากลัวได้นั่นมันก็จะหายกลัว คำถามสกุลซาลีนาเห็นบางคนใส่บาทด้วยเงินอย่างนี้คืออะไรคะเพื่อความสะดวกไงบางทีเขารีบร้อยเขาจะไปแต่ใจเขายังอยากจะทําบุญแล้วเขาไม่ได้ศึกษาพระวินัยของพระเขาเลยไม่รู้ว่าทําไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเขาก็เลยสายไปพระก็ยกให้ลุกสิทธิ์ไปเพราะว่าเงินที่พระรับกับมือนี้เก็บไว้ไม่ได้ต้องให้สลับสิทธิ์ไป ก็มีลูกศิษย์มาช่วยทำงานก็ให้เขาไปเป็นศินเป็นค่าตอบแทนน้ำใจที่เขามาช่วยเหลือคำถามจากคุณวัดลีกราบขออภัยพระอาจารย์ขอถามว่าทาไมพระที่รับเงินถ้าได้มาเยอะแล้วทำไมไม่ปฏิเสธว่าพอแล้วครับคุณปฏิเสธหรือเปล่านะถ้าคุณได้คุณไปยุ่งกับเขาทำไมคนเรามันจิตใจไม่เหมือนกันนานาจิตตังโลภมากโลภน้อย พระที่ปฏิเสธก็มีเยอะแยะไปเอี่เพรนั้นมันดูแค่พระรูปเดียวแล้วจะไปหมาว่าพระทุกรูปเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกคุณก็ไปบอกพระรูปนั้นเสิทำไมไปถามพระรูปนั้นเส็ิทําไมนลวงพี่ไม่ปฏิเสธนะหลวงพี่ก็อยจะตอบแล้วมึงจะปฏิเสธหรือเปล่าคําถามจากคุณวรินบริจาคร่างกายได้บุญหรือไม่ครับถ้าบริจาคตอนที่ยังไม่ตายได้ เช่นตอนนี้เรายังไม่ตายใครอยากจะได้หัวใจก็มาเอาไปใครอยากจะได้ตับก็มาเอาไปอยากได้ดวงตาก็มาเอาไปอย่างนี้ได้บุญเพราะเราเห็นกับตาเราเองเห็นกับใจเราเองว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราห่วงแต่ถ้าเวลาเราตายไปแล้วนี้เราไม่รู้เราไม่เห็นเราก็จะไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้เสียสละอะไรตอนที่เราตายไปแล้ว เราต้องบุญเกิดจากการเสียสละถ้ายังไม่เสียสละเพียงแต่เขียนวินัยกรรมว่านี้ก็ยังไม่ได้เสียสละเพียงแต่บอกเจตนาเท่านั้นเองดัง mm hmm. นั้นบุญจะเกิดขึ้นได้จะต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นมาจากตายให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องไปเขาต้องไปฟ อ, อ, อกไตแล้วก็ไม่ฟอกเขาจะตาย mm hmm. ก็เรามีสองอันแบ่งให้เขาสักอันหนึ่ง โดยตาก็จะบอดสองสองข้างอยากใช้ก็มีดวงตาแล้วก็แบ่งตาของเราไปให้ก็ข้างนึงเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เราจะรู้ผลจากการกระทําของเราเราจะเห็นความสุขจากคนที่เขารับของของเราเหมือนกับเราเอาเงินมาถวายทานตอนเนี้เราจะมีความสุขแต่ถ้าเราตายไปแล้วสั่งลูกหลานเราเอาไปทําบุญให้แม่นะเราไม่เราตายไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาทําหรือไม่ทำํำงั้นบุญจะจะได้ต้อง ทำในขณะที่เรารู้เรามีชีวิตอยู่คำถามจากคุณสุพนัทการปลูกพืชตัดต้นไม้ใดหญ้าหรือเด็ดถือว่าอาบัตใหม่ครับถ้าเป็นพระก็ทำไม่ได้เพราะโบราณก็ถือว่าพืชต้นไม้มีชีวิตพระไปตัดก็ถือว่าไปฆ่าสิ่งที่มีชีวิตพระพุทธเจ้าก็เลยต้องห้ามพระโดยรา ต, ต้องการที่จะตัดต้นไม้ก็ต้องบอกโยม ต, silk. ต้องบอกด้วยอุบายบอกตรงๆก็ไม่ได้สั่งให้เขาตัดเลยก็ไม่ได้ต้องบอกยมพิจารณาต้นไม้นี้ให้หน่อยให้มันมาเกะกะขวางทางอะไรงนี้ก็ว่าไปยอมเ็เห็นแล้วเขาเข้าใจเขาก็ทำถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็พิจารณาแล้วก็เดินไปก็แล้วไปก็หาโยมฉลาดถ้ามีโยมโง่ก็อย่ามาเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่มันบางคนมันโง่นะ บางทีเนี่ยพระก็ถวายเงินมาให้กับบาทกับพระเนี่ยแล้วพระให้เหมือนไปมันก็เอาไปเลยถ้ามันฉลาดมันก็เก็บไว้แล้วเผื่อน้องพ่อขาดอาหาราวันพรุ่งนี้มันจะได้ไปซื้ออาหารมาถวายได้ ม, มันก็ไม่ฉลาดคำถามจะคุณสี่นาศ เวลานั่งสมาธิหลับตาสักพักเหมือนรู้สึกว่าจิตอยู่ในร่างกายที่นั่งสมาธิอยู่ในความรู้สึกเหมือนแสงสีดําพุ่งเข้าดวงตาจะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะนั่งนิ่งได้สามสิบนาทีแบบนี้ยังไม่เป็นสมาธิใช่หรือเปล่าคะถ้ามันไม่นิ่งว่าไม่เป็นสมาธิหล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรอย่าไปสนใจมันไม่มันไม่มีความสําคัญอะไรถ้าไม่ถ้าไปสนใจไปยุ่งไปหลงกับมันเดี๋ยวก็เสียคนได้เสียสติได้ แไปคิดว่าเป็นนุ่นเป็นนี่ขึ้นมาเอออังคนก็คิดว่าเป็นนิพพงนิพพานปเป็นอะไรไปเออคำถามจากคุณกรนาธพระที่ดูแลแม่อมาพึกและพระอุ้มเด็กน้อยที่เป็นผู้หญิงผิดไหมครับผิดถ้าเพื่อพระวินัยมันก็ผิดแต่ถ้ามันมีกรณีจําเป็นจริงๆเฉพาะการก็ทําได้แต่ก็ไม่ใช่ควรจะทําทเป็นอา จ, จินอยังมีเรื่องของ หนวงตากับพระบวชใหม่ท่านไปรับกิจนิมนต์ขากลับเดินกับวัดต้องผ่านลำห้วยช่วงนั้นน้ำาหลายเชี่ยวลำห้วยนี้ก็เดินได้แต่ต้องต้องระวังเพราะน้ำมันไหลถ้าคนไม่แข็งแรงอาจจะล้มอาจจะถูกน้ำพัดไปได้ก็มีหญิงชรานั่งอยู่ข้างลำห้วยหน้าตาซึมเศร้าหลวงพ่อเห็นก็ถามเป็นไร อยากจะกลับบ้านแต่กลัวเดี๋ยวเราลุยไปลำห้วยนะั่นเดี๋ยวมันมันจะล้มมันจะจมน้ำหลวงพ่อเมตตาอุ้มยิงชร า, านั้นข้ามลำห้วยไปแต่แล้วก็เดินกลับวัดนี่ไอ้พระบวชใหม่มันบอกเอ้พระอุ้มจะต้องผู้หญิงไม่ได้นี่หว่านี่หลวงพ่อมันทํางี้ก็อาบัตสิบาปสิทำมันทำได้อย่างไรใจก็ฉุนเฉียวอยู่ในใจเดินกลับไปถึงวัด องนนทนไม่ไหวก็เลยถามหลวงพ่อว่าเมื่อกี้หลวงพ่ออุ้มผู้หญิงนั่นได้ไงห้าพักห้าแต่ต้องตัวผู้หญิงไม่ใช่เลยหลวงพ่อบอกกูวาง ไ, ไว้ตั้งแต่ลำทานแล้วมึงยังไม่ได้วางอยู่มึงยังแบกมาถึงตอนนี้เลยคำถามจะคุณนันทนาทำอาชีพแม่ครัวร้านอาหารต้องฆ่าปูปลาแต่ใจไม่อยากฆ่าเลยจะบาปไหมคะ บาปถ้าท่าแล้วก็บาปถ้าไม่อยากฆ่าก็อยากฆ่านสิมันไม่อยากจริงเนี่ยมันมันไม่อยากถ้ามันอยากไม่อยากจริงๆรมันไม่ฆ่าหรอกก็ลาออกไปสไปเปลี่ยนงานใหม่ไปทำเป็ น, เ ป, นเป็นเด็กเสิฟก็ได้ถ้าค่อย้เราเป็นแม่ครัวเราบ่กไม่เอาขอเป็นเด็กเสิบค่ะคำถามจากคุณหมานเราจะปฏิบัติอย่างไรให้ข้ามผลกา ม, มาตัิหาครับก็ต้องดู อ, อสุภะ ถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ต้องดูโครงกระดูกของแฟนดูอุจจาระของแฟนดูของตับไตไส้พุงของแฟนอย่างที่เมื่อกี้เทศให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับห่อของขวัญที่สวยมีกระดาษสวยๆมีเบอร์สวยๆพอแกะกล่องออกมาเห็นแต่ก้อนอุจจาระร่างกายนี้ก็เหมือนกันแต่งตัวสวยใส่เสื้อผ้าชุดละหมื่นชุดละแสน พอพาออกมาดูโอ้โหมีแต่โครงกระดูกมีแต่ลำไส้ต้องดูเข้าไปข้างในดูอาการ32ดูโครงกระดูกดูลำไส้ดูตับดูไตดูปอดดูหัวใจดูกะโหลกศีรษะหน้าตาสวยงามสวยที่แค่หน้ากากนั่นเอพอถอดหน้ากากออกครับเป็นยังไงก็เป็นแค่กระโหลกศีรษะ ตอนนี้คำาถามหมดค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหม เ, เดี๋ยวรอเพื่อนมีคำถามเข้ามาสักพักนึงรอยสักสองสามคำถามคำถามจะคุณซาลีนาถ้าถือสีบแบด ท, ท, ทานอาหารเสริมได้ไหมคะแบบชงค่ะไม่ได้หรอกถ้ามัน ถือสินแปดก็เพื่อที่จะตัดความกังวลเรื่องกินอาหารนี่เรามากังวลกับเรื่องกินอาหารก็อย่าไปถือมันเลยคนที่ถือสินแปดจริงๆนี่เขาต้องไปอยู่เขาต้องกำลังจะปฏิบัติต่ก็ยังทำงานทำการอยู่ก็อย่าไปรักษาให้มันวุ่นวายเลยถือสินห้าไปก่อนพวกที่จะไปปฏิบัตินั่นแหละเขาต้องการจะตัดเรื่องพารการกินให้มันไม่ให้เสียเวลามาก จะได้เอาเวลามาปฏิบัตินะกินก็กินแบบง่ายๆมีอะไรก็กินมันเข้าไปกินให้มันอิ่มท้องก็พออแต่ถ้าเรายังทํางานอยู่ยังอะไรอยู่ยังกัวงวลกับเรื่องกินอยู่ก็อย่าเพิ่งไปถือศีลแปดนะคําถามสกุลสมาธิอุบเบขาอภิน ญ, ญาแปลว่าอะไรคะก็อภิก็คือความยิ่งใหญ่อภินญาก็ความความสามารถพิเศษพูดง่ายๆ คนที่มีความสามารถพิเศษก็คือหูทิพตาทิพนรึกชาติได้อ่านวารจิตความคิดของผู้อื่นได้อะไรทำนองนี้เรียกว่าพิญญาสมัยนี้เขาเรียกว่าพวกซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่บางคนก็หาะได้ บางคนก็ปีนปลายกำแพงได้เป็นแมงมุมอะไรไปอันนี้ก็อภินญาเหมือนกันอภิญญาของฝรั่งคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราเกิดมาทําไมคะเราเกิดมาเพราะความอยากมันพาให้เรามาเกิดเกิดมาแล้วเราก็มาทําตามความอยากกันพอตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่ ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องอยาบไปทําตามความอยากหยุดความอยากเมื่อเราหยุดความอยากแล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปคำถามจะคุณสุพนัสอาณาปานสติและพุท ธ, ธานุสติปฏิบัติร่วมกันหรือแยกกันดีครับ เ, เช่นเอาว่าไปเช่นร่วมกันหายใจเข้าพุทธออกโทรหรือพุทโทพุทโทพุทโทอย่างเดียวก็ลองดูซิ ของเอนี้ไม่ต้องมาถามเลย <c oughs> คำถามจะคุณจันทรรัตถ้าถือสีลแปดแล้วใช้ครีมทาแก้ฝ้าถือผิดสีไหมคะถ้าใช้เพื่อรักษาโรคผายหน้เจ็บก็ไม่ผิดถ้าใช้เพื่อเสริมความงามเสริมความสบายก็ผิด <c oughs> คำถามจะคุณศักยพันปรารถนาการเกิดอีก ไม่ได้อยากนิพพานแบบตามบทสวดมนต์อยากสร้างบารมีอีกมากๆจะถือเป็นกิเลสไหมครับเป็นคำถามจะคุณสีนาศอยากฟังท่านสอนเรื่องการเบียดเบียนค่ะส่วนใหญ่คิดว่าสินข้อหนึ่งมีเฉพาะการฆ่าสัตว์ค่ะอ่ากรลักทรัพย์ก็เบียดเบียนนะประพฤติผิดประเวณีก็เบียดเบียนไปเอาผัว เ, เมียของคนอื่นมานี่มันก็เบียดเบียนเขาละ ไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาก็เบียดเบียนไปโกหกหลอกลวงเขาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เบียดเบียนดื่มสุรายาเ ม, มาแล้วขับรถไปชนเขาตายอย่างนี้ก็เบียดเบียนคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อสุดท้ายจากคุณเรนนี่การกระตัญยูบิดามันดาที่แท้จริงคือชวนท่านปฏิบัติใช่ไหมคะไม่หรอกมันมีหลายอย่างต้องเคารพเชื่อฟังท่านก็เป็นความกระตันยูอย่างหนึ่ง แล้วก็เชิดชูท่านให้ท่านมีเกียรติมีสารเสริญยกย่องท่านกราบไหว้บูชาท่านนี่ก็เป็นความกรุณาแลถ้าท่านชราไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ก็ก็เลี้ยงดูท่านไปแล้วถ้าท่านเสียชีวิตก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านไปอันนี้แหละคืออการแสดงความกตัญญูให้กับ บิดามันดามีอีกไหมอ่ ะ, อะมาหน่อยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราเกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นสามีภรรยาเพร า, รเพราะกรรมเหนียวนำใช่ไหมคะเพราะตั้หาความอยาก เ, าเจอคนที่เราอยากอยู่ด้วยกันแล้วก็ขออยู่กับเขา ถ้าเราไม่ชอบเขาเราไม่อยากจะอยู่เล้วนเาจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงคำถามจากคุณหมานเรื่องปรมาิของพระขบฉันในเวลาวิกาลเช่นสาหร่ายบัวหิม ะ, มะเมล็ดทานตะวันอินทผลามจริงๆแล้วฉันได้ไหมครับคือของอะไรที่ชาวบ้านก็าถือว่าเป็นยาฉันได้คือเพราะชาวบ้านกขมียาสมุนไพรหลายรูปแบบ ใบไม้บางชนิดอะไรผลไม้บางชนิดนี้ก็ถือว่ากินแล้วเป็นยาถงยาถ่ายอะไรก็ถือว่าเป็นยาคำว่าปรมาณก็คือของที่ฉันหลังจากเที่ยงวันไปได้ของที่ไม่ใช่เป็นอาหารของที่เป็นยามันก็เลยมีหลากหลายหลายรูปแบบผงกาแฟนี่ก็ถือว่าเป็นยาผงชาก็เป็นถือว่าเป็นยาผงโกโก้ก็ถือว่าเป็นยาก็เลยฉันกันได้ คำถามสักครง youtube live การปฏิบัติที่ถูกต้องคือปฏิบัติใจรักษาใจใช่ไหมครับก็คือการฆ่ากิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงตัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจคำถามจากคุณอ้อยกาบเรียนถามเรื่องการทําบุญให้คนตายครบห้าสิบวันหนึ่งร้อยวันค่ะออตายกี่วันก็เหมือนกันน่ย ตายวันหนึ่งตายสองวันตายร้อยวันตายพันวันก็ทำบุญทาทานเนี่ยใส่บาทรเนื้ออะไรไปแล้วก็ขวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปไม่ต้องใช้น้ำก็ได้อุทิศบุญในใจที่เราได้จากการทำบุญเพราะเวลาเราทำบุญแ้วใจเราจะมีความอิ่มมีความสุขเราก็อุทิศความอิ่มความสุขนี้ไปให้แก่ผู้ที่ล่งรับที่เขาไม่มีพอเราส่งไปให้เขาเขาก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจตามไป